สุธิกะสมาธิสุญญาตสมาธิอานิมิตะสมาธิและอัปปนิหิตสมาธิภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญาตสมาธิแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอานิมิตะสมาธิอัปปนิหิตะสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปนิหิตะสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอภปนิหิตะสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาราชิก